ก็ปัจจุบันนีนก็หมายถึงอารมณ์มันเปลี่ยนไปแล้ว อ, นนอันนี้ใช้คำว่าอารมณ์ใช่ไหมครไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือตัววิถีจิตอย่างหนึ่งตัวอารมณ์อย่างหนึ่งที่ไปเกี่ยวข้องเนาะที่ประเด็นประเด็นมันอยู่ตรงนี้บอกว่าที่ที่ต้องการจะยกตัวอย่างก็คือว่านะยกตัวอย่างต้องการจะบอกว่าบางทีเนี่ยเราไปเข้าใจว่าการอยู่กับปัมัตตลอดมันอยู่ได้ไงอาจารย์ก็บอกว่าด้วยข้อเท็จจริงมันอยู่ไม่ได้ ในข้อปฏิบัติยังไม่เคยเจอในพระไตรปิฎกอริยปถาและดีกาที่ท่านจะสอนกันอย่างนั้นแค่นั้นเองยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราจะอยู่กับธรรมะอย่างเดียวเนี่ยแปลว่ามันก็เพิกบัญญัติออกหมดเนี้ยถ้าเพิกบัญญัติออกหมดเบ็ดเสร็จนะอดมาจะรู้จากหนังสือไหยรู้ไหมอ่ะเพราะหนังสือเนี่ยเป็นบัญญัติใช่ไหมอดมาก็เห็นด้วยความเป็นนามเป็นรูปหมดเลยจะแยกได้ไงเนี่ยใช่ไหม ได้จำไงเนี่ยทีนี้พอพอสมัยอนาคตจะเข้าห้องน้ํา ม, มาจะรู้ไหมว่าห้องน้ำถ้าจะกินข้าวจะมองเห็นข้าวว่าเป็นข้าวไหมเนี่ยเนี้ยเป็นต้นเนี่ยก็พิจารณาดูว่าโดยข้อแท้จริงนั้นน่ะในข้อปฏิบัติจริงๆท่านไม่สอนแบบนี้ท่านจะใช้คําว่าไม่ลุ่มหลงในปรมัติ์และบัญญัติคือเข้าใจว่าบัญญัติและเข้าใจปรมัติ์โดยการไม่ลุ่มหลง แล้วก็กาลากิเลสโดยะทางทัพอาหารแล้วก็ไม่ลุ่มหลงปรมาภิรมัตบญญติที่เป็นโลกิยาปฏิเวทญาณอย่างไรท่านก็จะลักษาหนนี้นี่พอไปบอกว่าให้อยู่ปรมัติแล้วมันมันก็เลยฝืนข้อเท็จจริงแล้วไปอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวมันก็เลยฝืนบอกสิ่งที่มันทําไม่ได้ไงมันเลยอากกายเป็นความอึดอัดอันนี้การสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยไปไปมาๆมันก็เป็นเหมือนกับไปสร้างสร้างปัจจุบันขึ้นมาไปสร้างปรมัติ ด้วยความเข้าใจต้วยเองขึ้นมาใหม่ๆใหม่ก็อัดข้อมูลอัดข้อมูลลงไปเรื่อยนะเข้านะครับค่อไปเห็นว่าสำคัญว่าได้จริงๆแต่จริงๆราคะโทรศัโมหะก็ไม่ได้ถูกถ่ายถอนเท่าที่ควรแล้วการวิจัยก็ไม่รอบด้านในส่วนจริงก็การกิเลศการความเข้าใจผิดไม่ได้เข้าใจใช่ไหมตรงนั้นเป็นอย่างนั้น ทีนี้ท่านก็แยกแยะรายละเอียดที่บอกเวทนาที่เป็นกุศลและกุศลทั้งสองชนิดท่านหยากว่าเวทนาที่เป็นอัพยากตะทั้งสองชนิดตามสมควรเพราะมีการขวนขวายมีความเพียรมีวิบากมีอัพยากตะเวทนาทั้งสองชนิดละเอียดกว่าเวทนาเหล่านั้นโดยตรงกันข้ามกันนังตามในดังที่ได้กล่าวมาแล้วทีนี้ในประเภทแห่งสภาพนะทุกเวทนานี่หยาบกว่าเวทนาทั้งสองคือหยาบกว่าสุขเวทนาแล้วก็หยาบกว่าเวิขาเวทนา พ่อไม่น่าปรารถนาใช่ไหมทุกขเวทนาไม่น่าปรารถนาทุกขเวทนามีการสั่สายทําให้ซะดุ้มกลัวแล้วก็ครอบงาเวทนาเราอื่นนี่เป็นอย่างไรอย่างนั้นเพราะเวทนาเราอื่นก็ละเอียดกว่าทุกเวทนาเช่นอุเบกขาเวทนาแล้วก็สมนัสเวทนาเนี่ยมันน่าปรารถนาสงบและปราณีเป็นที่ชอบใจและเป็นกลางใช่ไหมสุขเวทนาและทุกขเวทนาทั้งสองชนิดนั้นยากกว่าเบขาเวทนานะถ้าพูดกันให้เห็นใช่ไหม เวขาเวทนานเห็นยากเพราะเขาละเอียดกว่าสุขเวทนาเพราะเขาละเอียดกว่าทุกขเวทนาเพราะมีการซัดสายทําให้วันไหวและปรากฏชัดอุเบขาเวทนาละเอียดกว่าสุขและก็อุเบกกว่าทุกขเวทนานี่เขาเรียกว่าความหยาบความละเอียดก็ไปพิจารณากันเอาอันนี้ทําไมต้องรู้แบบนี้ผู้ปฏิบัติทําไมต้องรอบรู้อย่างนี้ ถ้าไม่รอบรู้อย่างนี้ไม่สามารถวิจัยเวทนารอบด้านเลยถามนี่นะทกขเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งความเข้าใจผิดของสัตว์โลกได้ไหมสุขเวทนาได้หรือไม่ได้อเุเวขาเวทนาก็เป็นที่ตั้งของมิจฉาทิฏฐิได้แล้วเวทนาหยาบเป็นที่ตั้งของมิจฉาทิฏฐิไหมเวทนาละเอียดด้วยความละเอียดความหยาบต่างกันก็เป็นปัจจัยเก่ดการเป็นที่ตั้งของมิจฉาทิฏฐิ ฉะนั้นท่านจึงสอนให้วิจัยเวทนารอบรู้เวทนาด้วยอาการอย่างนี้เพื่อถ่ายถอนความเข้าใจผิดในเวทนาเหล่านั้นอย่าไปคิดว่าการปฏิบัตินั้นไม่รู้เรื่องเวทนาแล้วจะถ่ายถอนความเข้าใจผิดในเวทนาได้ซึ่งไม่ใช่ฐานะต้องมีความเข้าใจเวทนารอบด้าน จึงจะสามารถถ่ายถอนความสําคัญผิดความเข้าใจผิดในเวทนาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกเป็นตน้นหยาบและละเอียดเร็วแบานี้ไกลๆเข้าใจใช่ไหมงั้นมันจะต้องเข้าไปเจาะเข้าไปวิจัยในตัวเวทนาให้ชัดถึงจะเข้าใจเวทนาปับต่อมาเนี่ยนะจกไม่พูดรายละเอียดเยอะแต่ตรงเนี้ยเพราะถ้าต้องการวิจัยให้ละเอียดมันก็ต้องอีกสถานะหนึ่งเนาะ ตรงนี้ถ้าไปวิจัยให้ละเอียดยิบไปเลยเนี่ยก็จะยกเป็นตัวอย่างถ้าใครสงสัยอยากให้ยกตัวอย่างไหนถามมาแต่ถ้าไม่สงสัยก็ถือว่ายกไปแล้วบางตัวอย่างนี่นะก็จะไล่ไปตามลําดับนะเอางั้นนะความแตกต่างกันโดยประเภทแห่งบุคคลเวทนาของบุคคลที่ไม่ได้ได้ไม่ได้สมาบัติอย่างเราทั้งหลายเป็นเวทนาหยาบเห็นไหมเอาไล่ไปของความยาบอีกหน่อยเนี่ยมาแยกให้ละเอียดเองนะ เวทนาของบุคคลที่ไม่เคยฟังธรรมเลยใช่ไหที่เขาหมกมุ่นแต่การงานหมกมุ่นกับการบน่นการดา่าการว่าจุกจิกจู้จี้ไอเวทนาในกรณีอย่างนั้นนะี่ยนะเขาไม่เคยมีสวามสงบในการศึกษาพระธรรมเวทนาเขาเนะี่ยหยาบกว่าเวทนาของบุคคลที่สนใจความขอ่งตานหยาบกันเยอะเริ่เห็นไนหะสมัยก่อนเนะี่ยเราก็ประเภทอยู่กับเวทนาหยาบๆอย่างนั้นแต่เราอยู่แล้วมีความสุขด้วยตั้งแต่แต่ถ้าให้ไปอยู่อีกเอาไหม เอาแบบไม่สนใจพระธรรมเลยอยากด่าใครก็ดา่าอยากจะบ่นใครก็บน่นพูดพูดไปเนี่ยคือเราจะเห็นคําหยาบเต็มไม่แถวเนี่ยทั้งอะไรไม่รู้ถ้าเดินตามหลังไปเรยเตียงหมูหมาเป็ดไก่ไหลมาเป็นทางเนี่ย น, นเวทนาก็าหยาบมากใช่ไหมบางคนเนี่ยลองอมีอยู่ข้างาพูดถึงเวทนาหยาบเนี่ย ตอนนั้นมานั่งรถหน้าวัดจะเข้ากรุงเทพก็รอรถให้เด็กมาคอยโบกรถจ่ายค่ารถให้ก็มีมอไซค์วิ่งพราะเพื่อมาเล่นเด็กไว้รุ่นโอ้โหเวทนาก็าหยาบมาขอภายแล้วก็ใช้สัพบรุนแรงมาก็พูดถึงสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาพูดถึงตัวเฮียนี่ยนี่ยเขาเรียกเพื่อนเขาก็จะเรียกตัวนี้เขาจะบอกว่าไอ้ไอ้คนเนี้ยไอ้สัตว์เดรัจฉานตัวเนี้ยเมืไรจะมาสักทีเนี่ยเนี่ยเขาก็ละเขาก็ตะโกนเขาพูดอยู่คนเดียวแล้วมาก็นั่งอยู่แล้วก็เด็กอยู่คนหนึ่ง แล้วก็พูดเขาขับรถแปดมาที่นี t <t ่นะแป๊ดมาเก็มานั่งตรงตรงีที่รอรถแล้วก็พูดถึงชื่อเพื่อนเขาอนั่นแหละจะเราเนื้อใจโอ้โหเวทเวพวกนี้เขาเสพเวทนาที่หยาบมากนะเขาอยู่กับเวทนาอย่างนี้อซึ่งซึ่งภาษานี้เราใช้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็จะพูดอย่างนี้แล้วก็จะพูดตลอดนี่นะบอกรอทั้งนานไม่รู้ไอไอตัวนี้ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ใช่ไหม แล้วพอเพื่อนเขาขับมอไซค์มาเขาชี้หน้าเขาหัวแต่นี่เขาว่าอย่าไอ้นั่นเขาเขาก็ว่าบอกไอ้เขาอไอ้ตรงเงินตองไอ้ตัวเหี้ยกูรอตั้งนานเงียนะขอไปนะไอ้ตรงเพื่อนก็กลับเข้ามาเหี้ยมัติดทุลักเขาเขาก็เขาก็คุยกันอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเขาจะคุยกันเงี้ยอะ อันมาก็เลยเรียบรีบรบรุบรบอกออกมาเขาถามมอสพี่ทาไมเรีบลุกบอกอยู่นี้ไม่มีมนุษย์เลยเขาก็เลยเขาเขาเข้าใจเปล่าบอกอยู่นี้ไม่มีมนุษย์เลยมีแต่สัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวขอรุกหนีไปก่อนนีก็ <c oughs> <c oughs> มากันอีกสองคนสามคนนั่งมาใมาส่มาก็เสียงเสียงเสียงสด <c oughs> ยังเงี้ยหยาบไหมเห็นไห ม, ไหมวเวาาเดนาก็หยาบ ไม่คือต้องการเชี่ยไปเห็นว่าเวทนาที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ศึกษาพระธรรมกับเวทนาของบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมอยากต่างกันไหมที่เวทนาของเราเนี่ยก็คิดว่ละเอียดแล้วใช่ไหมต้อไปเที่ยวคนที่ได้สมาบัติเฮเวทนาของบุคคลที่ไม่ได้สมาบัติกับเวทนาของบุคคลผู้ได้สมาบัติของเรายากกว่าเพราะเวทนาของบุคคลที่ไม่ได้สมาบัตินั้นพุ่งสร้างไปตามอารมณ์ต่างๆเวทนาอื่นของบุคคลผู้เข้าสมาบัติเป็นเวทนาที่ละเอียดมาก ละเอียดกวเวทนาเราทีนี้ก็ไล่ไปตามลําดับติปธรรมชาติทุติยชาตตริติานิเจตตุติชา น, าชานอารูปชาตของเขาก็ละเอียดไปตามขั้นตอนใช่ไหมนี่ก็ไล่แล้วก็เริ่มมองเห็นแล้วแต่เนี้ยเขาเรียกว่ารู้จักเวทนาเป็นไปตามลําดับบุคคลแล้วมองเห็นนี่ยังแต่เนี้ยเราจะร้อยนี่เขาเรียกว่าศึกษาเวทนาก็าเลยต้องรู้จักเวทนาถ้าไม่รู้จักเวทนาจะไปเจริญเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานใช่ฐานหน้าไหมไม่ใช่ฐานหน้แล้วจะไปรู้อะไรใช่ไหม มงกรบอกเอา้าเนี่ยสำนักนี้เขาสอนเวทนานุปสนาเราเราจะรู้เลยมันต้องไปถามเจ้าสำนักหน่อยถามเลยเนี่ยสอนอยังไงบอกสุขเกิดขึ้นไงรู้ทุกข์เกิดขึ้นไงรู้มไม่พอมันไม่พอต่อการถ่ายถอนมิจฉาทิฏฐิในเวทนาเหล่านั้นเวทนาเนี่ยเป็นที่ตั้งของมิจฉาทิฏฐินะไปดูในทิฏฐิกถาที่จริงเนี่ยนะ ถ้าเราเป็นผู้ที่คงแก่การศึกษาคําสอนหน่อยเนี่ยนะมันก็เอามาวิจัยกันได้หรือก่อยๆนี้ยอันนี้วิจัยไปวิจัยมาหรู้จะมีใครนั่งฟังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เยวิจัยในเชิงลึกกันจริงๆไงใช่ไหมเอาถ้าจะถ่ายถอนกันจริงๆต้องวิจัยเชิงลึกไหมใช่ต้องวิจัยต้องเจาะกันต้องต้องต้องพิจารณาจริงๆใช่ถ้าเราเจาะง่ายๆอย่างวิทยาศาสต์แค่เราแค่เราวิเคราะห์ไป เรามีอย่างกลางและอย่างอยากเราก็ไม่มีไม่มีใช่ไหมแต่เคยมีใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่เพรใค่จะเพราะว่าเรไดอ้อย่างกลางและอย่างอยากมันจะต้องมีแต่ได้อยางละเอียดได้อย่างอย่างกลางอ๋อมันดะมันมันก็เข้าใจตรงนั้นแต่ปัญหาคือบอกว่าเราเคยได้เวทนาเหล่านั้นไหมไม่ในอดีตเคยเกิดไม่ เ, เวทนาแบบนั้นเคยเกิดในกระแสความคิดของเราไหมเวทนาอยากมอ่ะ เคยแต่ก่อนที่ไม่เคยฟังทำเราก็พูดห ย, ยาบยๆกันมาเยอะท่านแน่ดีดด้วยแล้วไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมพบก่อนด้วยแล้วอาจจะอยากว่า น, นี้ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ถามว่าเวทนาเหล่านี้เราพ้นหรือยังเนี่ยถ้าเราถอนวิชาทิฏฐิไม่ได้เราจะไม่พ้นเวทนาเหล่านี้เลยนี่จะได้เห็นโทษของเวทนาชัดถ้าการไม่วิจัยจะไม่เห็นโทษของเวทนาบางทีเราเห็นทุกเขเเห็นเวทนาของสัตว์เดรัจฉานแล้วบอกว่า ยอมมองคนพ้นได้ยังถอนมิฉาทิถีไม่ได้พ้นเวทนาของบสยสัตว์ไม่ได้เอาสิเห็นไหมน่ากลัวไหมเวทนาถ้าไม่รอบด้วยเวทนาน่ากลัวเรายังไม่เคยได้ถ่ายถอนความเข้าใจผิดในเวทนาเลยนะตอนนี้เพียงเริ่มเอามานิ้วจุ่มจิ้มน้ําดูแค่นั้นเด้งใช่ไหมลองจิ้มจิมดูแค่นั้นเด้งโอเวทนาเออน่าศึกษานะแค่นั้นเด้งถ้าจริงเวทนานี่เรายังละไม่ได้ ทกเวทนาที่ามาพูดถึงเนี่ยเรายังละไม่ได้และมีโอกาสที่จะไปได้เวทนาเหล่านั้นด้วยเมื่อกี้มาพาดพิงไปถึงเวทนาของอบายสัตว์คือเวทนาของพระเทวทัตใช่ไหมเวทนาของพระเจ้าชาติสตูเวทนาของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกทั้งหลายอีกเยอะแยะไปหมด ฉะนั้นเวทนาเหล่านั้นเวทนาเหล่านั้นเป็นเวทนาที่เราเคยได้ปัจจุบันนี้เราพ้นแต่ในอนาคตแน่ไหมเอาละสิแต่เนี้ยนี่ไงเวทนาเขาต้องรอบรู้การสามเวทนาอาดีตเราเคยได้มาเยอะแยะหมดเนี่ยที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยบางพบบางภูมิเนี่ยบางท่านเนี่ เคยได้สมาบัติระดับอรูปฌานถ้าเวทนาละเอียดเราก็เคยได้มาแล้วเคยนั่งอยู่ในห้องใจเรามาแล้วโยมสมานบางพบบางชาติเราก็ได้วิญญาณัญจายตนาอากินเนว่าบางพบบางชาติก็ได้จตุตฌานตัตเยฌานทุตเตยฌานแล้วปฐมฌานเห็นไหมบางพบบางชาติเราก็ได้เวทนาในสวรรค์ชั้นปารณิมมิสวสวัสดีไรมาจะถึงจาตุมาหาราชิกาบางพบบางชาติเราได้เวทนายัญจกักพัทดีไร แต่บางพบบางชาติเราได้เวทนานู่นระดับในเวจีมหานรกอุสทานรกก็ได้มาแล้วโล ก, กาติกาณโกก็ได้มาแล้วโลหะกุมพีอุสทานรกก็เคยได้มาแล้วในมหารโรกแปดขุมเนะี่ยเวทนาเหล่านั้นเราเคยท่องเที่ยวมาแล้วตลอดถึงเวทนาของเปรตของอสุรากายของสัตาาว์เดรัจฉานเวทนาเหล่านั้นเราเคยได้สัมผัสมา มาปัจจุบันนี้เราได้เวทนาที่เป็นไปในมนุษย์สปูมินี้ทีนี้หนึ่งเวทนาที่เป็นอดีตเราก็เคยสัมผัสมาทั้งสูงสู ง, สงต่ำตำ่และเวทนาที่เราจัเป็นไปในอนาคตอีกเราก็จะต้องไปได้อีกถ้าเรายังถอนในสักยะทิฏฐิคือความหินผิดไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่ามันไม่เสด็จน้ําอ่ะถอนแบบไม่เสด็จน้ำครับก็ใจยอมเรียบร้อยเลยโอกาสจอมอีกเนี้ย ถามว่านี่เวทนาเราเย็นนี่ยังยมนบยังไม่เย็นยังไม่สงบถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็ตัวใครก็ตัวใครเลยแต่บอกบอกข้อมูลกันไว้นะบอกข้อมูลกันไว้อันนี้พระพุทธเจ้าว่าขูเราไหมไม่ขูพระพุทธเจ้าบอกความจริงว่าพระพุทธเจ้าตัดสู้ความจริงไงพระพุทธเจ้าตัดรู้เวทนาสาม ผู้นี้เจ้าตัดสรู้เวทนาที่เป็นอดีตตัดสรู้เวทนาที่เป็นอนาคตเวทนาที่เป็นปัจจุบันภายในภายนอกอยา่าละเอียดเร็วปราณีไกลและใกล้พุทธเจ้าตัดสรู้เวทนาเหล่านี้แล้วก็สอนให้สาวกนั้นตัดสรู้ตามเวทนาเหล่านี้ตามความเป็นจริงเพื่อถ่ายถอนสักยะทิฏฐิคือความเห็นผิดในเวทนาเหล่านั้นเราจะรู้แค่เวทนาการเดียวสมควรไหยจะเป็นสาวกของท่านเนี่ยสมควรไหมยอมจะวันในวงไม่สมควรใช่ไหม เราควรรู้ตามถึงรู้ไม่ละเอียดเท่าท่านแต่ต้องรู้ตามเพราะเวทนาเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความเข้าใจผิดทั้งหมดนั่นแหละถ้าต้องการอยากจะพระศ า, าสดาผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นท่านกล่าวไว้อย่างนี้เอาหลักฐานมาจากที่ไหนเป็นพุทธพจน์ไหมในไหนอานัสตระรคัสูตรเป็นสูตรที่สองที่ทรงแสดงปโปรดปัญจวัคคีย์แล้วได้บรรลุเป็นพระอาจานย์เห็นไหม และในที่อื่นอีกเยอะอันนี้ยกให้เห็นชัด ๆ, ๆไงใครสาธยายอนตะตะรักนะตะสูตรได้ถ้าพระนิสวดได้สบายเลยหันไปถามนั่นมานิสวดได้เลยยังวะนี่ย่นานะตะไม่ใช่สวดไม่ได้ยุ่งอยู่นี้อะนะตะนะตะสูตรที่โดยประเภทแห่งความหยาบและความละเอียดท่านก็นันบนับกันในลักษณะอย่างนี้ อีกอย่างหนึ่งนะโดยประเภทแห่งโลกิยาโลกุตระก็เป็นยาเหมือนกันนะและละเอียดก็เป็นไปตามความต่างกันทีนี้เวทนานั้นต่างกันนะต่างกันอีกอย่างหนึ่งนะว่าเวทนาที่ประกอบกับอาสวะโอคโยคันธานิวอนุภาทางกิเลสธรรมเกี่ยวข้องกับปุถุชนเวทนาที่ไม่ประกอบด้วยอาสวะละเอียดกว่าเวทนาที่ประกอบกับด้วยอาสวะใช่ไหมก็ไล่กัน อาเวทนาของบุคคลที่ไม่มีการมมาสวะภาวาสวะทิฏฐาสวะวิชาสวะกับเวทนาของบุคคลที่มีกรรมมาสวะภาวาสวะทิฏฐาสวะวิชาวะอย่างเราต่างกันไหมเดยวนี้เห็นชัดเลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเวทนาของโยมสมานเนี่ยเป็นไปกับกรรมมาสวะภาวาสวะทิฏฐาสวะวิชาสวะก็เรียกเป็นน้ำหนองก็ไหลอยู่ตลอดเลยเวทนาของโยมนั่นเวทนาเกิดที่ไรก็มีน้ำหนองคือการมมาสวะไหลอาบเวทนาเหล่านะ สัญญาสัญขันวิญญาณก็มีไอ้พวกนี้น้ำหนองก็ไหลาอาบเวทนาเหล่านั้นรูปรขันก็คอยแปดเพื่อนกับน้ำหนองเหล่านั้นก็ไหลอิทรดาไหลไหมเห็นไหมเวทนาเหล่านี้จึงเป็นเวทนาที่น่ารังเกียจ ม, มากพ่าเป็นไปกับผีเป็นไปกับหนองใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกวเวทนาหยาบเพราะว่ามีกิเลสมีกามาสวะเป็นต้นภวาสวะวิทิฏฐาสวะไหลยอยู่ไห ม, มไหลอยู่ด้ยโดยฐานะเป็นสมัมยยตธรรมด้วยใช่ไหมและโดยฐานะเป็นอารมณ์ของ ทิศทิศด้วยอีกเห็นไหมขนาดใดที่เขาไม่เกิดเขาก็ยึดไวด้โดยการเป็นอารมณ์เขาในขณะถ้าเขาเกิดร่วมเห็นไหมไหลโดยฐานะยึดไวด้โดยความเป็นอารมณ์ของเขาอย่างหนึ่งไหลโดยฐานะเขาเกิดร่วมลาดลดไหลเปิดเพ้อนเป็นปหมดใช่ไหมถ้าเรามองอย่างนี้นะวิธีมองนายอมมงคลวิธีมองก็คือว่าเหมือนเหมือนตัวนหนอนที่อยู่ในอุจจาระ เหมือนตัวนอนในอุจลาอุจลาก็เหมือนตัวตัวราคาโทรสามโมหะไอตัวเวทนาเหมือนตัวนอนนอนมันไม่สามมันไม่ยังใช่ไหมถ้ามันกระดิบกระดิบออกมาจากกองอุจลาได้อัไรมันก็แต่ในท่สุดจริงๆมันก็กลับเข้าไปอาศัยกองอุจลาเนยมันก็อย่างนั้นนะจะเป็นลักษณะนี้ไอตัวเวทนาของปุถุชนทั้งหลายก็เหมือนตัวนอน ออกได้จากองอุจาระได้แคบเดียวนะคราก็หิวคานก็ไปหากองอุจราระไปกินอีกแล้วคานออกคานสำคัญไม่ค่อยออกหรอกใช่เพราะมันชื่นใจอยู่กับะกีเลสจะแล้วเข้าใจไหมพอจะมองเห็นไหมแบบนี้ถ้ามองแล้วหนึงก็จะพอเย็นนี่เวทนาของเรานี่จะเปืดอเปื่อไปด้วยความไม่สะอาดอย่างนี้ ฉะนั้นเวทนาหยาบเรื่อยเรียบต่างๆนั้นแตกต่างกันโดยโลกยะโลกุตระก็ไปเทียบตรงเนี้ยเทียบพวกอาสวะเทียบพวกโอคะโยคะคันถะนีวออุบาทานถ้าไล่ไปเป็นหนังเรื่องยาวเลยตรงนี้แต่นั่นแหละอธรมมะในปริเชตเหล่าเนี้มาอัดข้อมูลเข้าไปเราก็จะเห็นความที่เวทนาเหล่านีนะ้นั้นเป็นไปกับบาปของโยธาธรรทีนี้ประเภทแห่งชาติก็คือว่าเวทนาที่ประกอบกับ กายวิญญาณจิตที่เป็นอกุศลนิบาศถึงแม้ว่าจะเป็นเวทนาละเอียดเพราะเป็นอพยากตะโดยประเภทแห่งชาติแต่กลับเป็นเวทนาหยาบในประเภทแห่งสภาพเป็นต้นนะอพยากตะเวทนาเป็นเวทนาที่ละเอียดทุกเวทนาเป็นเวทนาที่หยาบนี่เป็นพุทธพจน์เลยนะเวทนาของบุคคลผู้ไม่เข้าสมาบัตเป็นเวทนาที่หยาบเวทนาที่ประกอบประอาสวธรรมเป็นเวทนาที่หยาบ เวทนาที่เหลือมีสุขเวทนาเป็นต้นเป็นเวทนาที่หยาบโดยประเภทแห่งชาตินะแต่เป็นเวทนาละเอียดโดยประเภทแห่งสภาพเป็นต้นของทุกเวทนาดังนั้นจึงเป็นเวทนาหยาบละเอียดโดยการไม่ละคนหรือประเภทแห่งชาติเป็นต้นดังที่ได้กล่าวทีนี้ถ้าถามบอกว่าความเป็นเวทนาหยาบล ะ, ละเอียดนั้นเป็นฉนิดอภยกตะเวทนาละเอียดกับเวทนาที่เป็นกุศลและกุศลโดยประเภทแห่งชาติ กุศลชาติอกุศลชาติอัพยากตะตาติหรือเกี่ยวเรื่องของวิบากชาติเนี่ยเห็นไหมถ้าว่าโด ย, ยวิชาติเนี่ยพวกอภิญากระตเวทนานั้นนี่ยว่าโดยประเภทเนี่ยแห่งชาติเนี่ยเขาเขาละเอียดกว่าเพราะอะไรดังที่ได้กล่าวแม้กุศลเวทนาก็ดีอากุศลเวทนาก็ดีเขามีสภาพที่ขวนขวายมีสภาพเป็นความพยายามมีสภาพเป็นการที่จะให้ได้รับวิบากถ้าเป็น อกุศลเวทนาไม่ต้องพูดถึงเขาเร่าร้อนด้วยกิเลสด้วยใช่ไหมแต่กุศลเวทนาต้องขวนขวายตลอดไหมในขณะที่กุศลเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยในปัจจุบันพบเนี่ยไม่ใช่กิริยาเวทนาเนี่ยของเราเนี่ยกุศลเวทนาเนี่ยขวนขวายถ้าในขณะกุศลแลจิตเกิดขึ้นมีการขวนขวายไหมอะไรเป็นตัวขวนขวายรู้ไหมตัวสังขารคือเจตนาเป็นต้นเน่ยเป็นตัวขวนขวายตัวสังขารขันเนี่ยปัญญาเป็นต้นก็ขวนขวายศรัทธาเป็นต้นก็ขวนขวาย ขวนขวายให้อันใขวนขวายสุขเวทนาเพื่อให้ได้สุกเวทนายิ่งๆใช่ไหมหรือถ้าขวนขวายในการที่จะเข้าประชุมอริยมรรต์ก็เหมือนกับพระโพธิสัตว์อ พ, อพระโพธิสัตว์เนี่ยเวลาท่านวิธีคิดของท่านเนี่ยตอนที่ท่านเป็นพระโพอธิสัตว์เนี่ยท่านท่านอุปมาตัวท่านยังไงที่บอกว่าการตกอยู่ในหลวมอุจระโผล่ขึ้นมาทีนี้เห็นสาดน้ําสาดน้ํามีอยู่ไหมความใสสะอาดของสาดน้ํามีอยู่ การไม่ไปอาบน้ําชำระตัวในสระน้ําเป็นความผิดของสระหรือเป็นความผิดของบุรุษนะั้นนั้นพระโพธิสัตว์ท่านก็คิดขมวดคงท่านในเมื่อทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่ข้อปฏิบัติมีอยู่นิพพานก็มีอยู่การไม่ข้นขว้าเดินหาทาง น, างางนี่ไม่ใช่ความผิดของทางนะใช่ไมใช่ไม่ใช่ความผิดของทางนี่เป็นความผิดของบุรุษนั้นโดยฝ่ายเดียวชั้นใดว่างั้นท่านก็พิจารณาในลักษณะอย่างนี้ ถ้าหากบางพบบางชาติเวลาท่านบาเพ็ญเนกเขมะขมารวมีเนี่ยท่านเห็นขันของท่านเนี่ยยังกระซากสุนักเนา่าเราจะเห็นได้ไหมเดี๋ยวบางคนเราไปส่องกระจกไปอาบน้ํเขาโอโ้โหอีซากสุนักเนา่าเนี่เมื่อไหร่เราจะพ้นจากมันีได้คิดเงินตลอดเวลาเลยเราจะไม่นอนตายอยู่กับมันกระซากเนา่าๆนี้เด็ขดขาดต้องขัดต้องถูต้องชําระต้องสะสางต้องล้างใช่ไหย คนโง่ก็พากันยินดีว่าสวยว่างามนะแต่เราเป็นชาติของบัณฑิตเป็นสิทธิ์ของพระบรมศาสด า, า, าเราต้องเห็นอย่างที่พระพาทธเเห็นใช่ไหมก็กร ะ, ะตุ้นความคิดตัวเองอย่างนี้คิดอย่างนี้ตลอดไหมห่วงอะไรอยู่แต่อย่าไปคิดในสิ่งดนเป็นไปไม่ได้สิคิดอย่างนี้โรกประสาทกันหลายหลายคนแล้วใช่ไหม อันนี้ไปคิดแย้งกับความเป็นจริงจริงไม่ยอมสมานคิดแย้งกับความเป็นจริงหลอกตัวเองทําไมแล้วเราศึกษาพระธรรมแล้วอย่าหลอกตัวเองดูกล้ายอมรับความจริงแลว้วก็วิจัยหรือว่าเป็นอย่างนี้จริงๆรใช่ไหมการเป็นของต่างๆเนี้ดูมันต้องวิจัยได้ใช่ไหมไปดูโอ้ตรงนี้ก็ยังดีอยู่ใช้อยู่อีกนา น, น <c oughs> เลยเสร็จเลยว่าเออตรงนี้ก็ยังดีนะเลยก็ไปเล ย, ย <c oughs> ที่จริง จริงไอความคิดของเรานี่หลอกตัวเราเองดีิจริงไหมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหลอกตัวเองตลอดเนี่ยเอาอันนั้นก็เป็นข้อจําเป็นที่ต้องทำแต่ก่อนเนี่ยบวชใหม่ๆมาบอกว่ากีวอนี่เหม็นจังเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วอะไรเหม็นระบบกายเนี่ยเหม็นไม่ใช่กีวอเหม็นงั้นถ้าบอกว่าถ้าภาพมันเกิดเหม็นขึ้นมาแล้วบอกว่าอะไรดีตรงนี้ โอกายนี้เน่าแท้ภรคตหลัตของพระผู้มีภาะเจ้าจริงแท้ไม่แพรพันธ์ต้งพูดนี้นะทุกครั้งนะบอกโอ้กายนี้เน่าจริงๆกายนี้ไม่สะอาดจริงๆกายนี้ไม่งามจริงๆกายนี้เต็มไปได้วยของที่เปืเ้อนเปื้อนจริงๆพระบระมาศาสดาผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระบระมาศาสดาตรัสคําใดไว้จริงแท้ไม่แพรพันธ์สถาเกิดไหมเราเนี่ยเนี่ยก็มนัศกานอย่างนี้เรื่อยเนี่จีวันี้เหม็นตัวเองสะอาดอยู่เลยจีวันสใช่ไหมเราก็ไม่มากก็เป็นกันอย่างนี้ ตรงนี้ก็จำแนกประเภทเป็นต้นข้ออัปยาคตาเวทนาอปยาคาตาเวนาเป็นชไหนเป็นทุกหรือเป็นสุขผู้เข้าสมาบัติไม่เข้าสมาบัติอปยาคาตาเวทนาต่างกันอย่างไรอปยาคาตาเวนามีอาสวะแล้วมีไม่อาสวะเป็นอย่างไรเป็นต้นเนาะพอจำหลักทั้งหมดเนี่ยนะแม้ในอกุศลเวทนาเป็นต้นเวทนาที่ประกอบกับโทสะหยาบกว่าเวทนาที่ประกอบกับโลภะไหมเอาไปไล่อกุศลในการนี้เธเนี้ยเวทนาที่ประกอบกับโทสะกับเวทนาที่ประกอบกับโลภะเวทนาไหนหยาบกว่ากัน เห็นไหมโทสะหยา ก, กว่าเวทนาในโลภะเพราะ อ, อะไรเพราะเผาผัานที่อาศัยคือทเ ย, ยือสุกแล้วก็เป็นเหมือนไฟนะเผาเชื้อเพลิงถ้าลองพิจารณาด้วยเวทนาที่ประกอบกับโทสะเนี่ยหนึ่งเขาเผาตัวเองก่อนไหไอรร้โทมารัสเวทนาเนี่ยนะที่จริงโทมารัสเวทนาเนี่ถูกโทสะเผาตัวสังขารก็เผา ไอตัวเวทนานี่กับเผาที่ตั้งเลยเผาที่ตั้งคือเผาอะไรดีหาทะเยอวัตถูกเมื่อเผาหาทะเยอวัตถูกแล้วเนี่ยหาทะยอถูกนั้นตั้งอยู่บนดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมทอด้อยปถูกเผาได้ไหมดินน้ำไฟลมที่เกิดจากจิตถูกเผาดินน้ำไฟลมที่เกิดจากกรรมถูกเผาได้ไหมดินน้ำไฟลมที่เกิดจากกุฏวดินน้ำไฟลมที่เกิดจากอาหารเผาสรุปแล้วสรีระทั้งสิ้นโดนโดนเผาหมาเลยเลยผมงอกเร็วเลยย้อมเลยเลยวทีเยายา่เขาใหญ่ยัง หน้าดำขั้มเครียดทนี่เห็นไหมธอมนสเววนาแผดเผาแล้วเข้าใจยังเวทนาดีไหมธอมนสเววนาเที่ยงไหมเดี๋ยวเผาแล้วมันก็หมดไปใช่ไหมฉะนั้นปล่อยมันเกิดต่อมาปล่อยเ ผ, า, ผ, า, ผาเลยๆเผาทุกภพแล้วถูกเผามานานแล้วเป็นไฟไหมทั้นคนจะไม่ค่อยชอบใจธอมนสเวทนาเมื่อไม่ชอบใจธอมนสเววนาแต่ไปชอบอะไรไปชอบเวทนาที่ประกอบกับโลภะ เราไปชอบเวทนาที่ประกอบกับโลภะทั้งๆที่เวทนาที่ประกอบกับโลภะเป็นเชื้อเพลิงไหมเป็นเชื้อเพลิงเป็นไฟไหมไฟคือราคะเขาอยู่ใช่ไหมโอ้เรียบร้อยเลยพระเจ้าตรัสโอ้ตงังตังวาปนะเวทนังอุปาทายะอุปาทาญาเวทนาวาลาติกังสูงมาทัดทับพังพึงทราบว่าเวทนายาบละเอียดโดยโดยอาศัยเวทนานั่นนะ เวทนาที่ประกอบกับโทสะเสมอเป็นเวทนาหยาบถ้าไม่เกิดเสมอเป็นเวทนาละเอียดเนาะเนี่ยมันยังต่างกันนะจังวันโทไอ้โทมนัสเวทนาอที่ก็มีจุดต่างกันนะบางคนเนี่ยมีความโกรธเป็นอัตยาัยนิดกโกรธเคยเห็นไห ม, มแมลงวันบินเฉียวอยู่ม่ก็โกรธอะ่ะนั่งนิดนิดนิดอยู่ไห็นไหมโทมนัสโวนามันเกิดง่ายบางคนอยู่อยู่คนเดียวก็โกรธใช่ไหมกำลังจะเขียนหนังสือตอบธรรมะ สอบไปพิทบเนี่ยแหละหลังจะสอบแรงวันจับไปีปัตัสาเกิดไปแล้ขนาดตอบก็ทํเอาวุฒิยามันเกงใจไหมกิเลสไม่เกงใจเนยสวดมนต์ยิ้มไม่เกงใจหรอให้กิเลสนไม่เกงใจวุฒิยาเมื่อวานก็เล่าให้โยมก็าฟังบอกว่ยอมที่มาฟังทำเนี่เนี่ยฉั้นคนที่ฟังโอกาสในการที่จะฟังทำในข้างหน้าเนี่ยก็เริ่มจะไม่มีแล้ว โกาสจะน้อยลงไม่ได้มาแช่งยมนะบอกกามีเพราะอะไรรูไ้ไมหนึ่งเรานี่จะถูกมารคอยกีดขวางตลอดขันามารก็ขัดขวางกิเลสมารในใจของโยมเี่ยทุกคนเนี่ยก็ขัดขวางอยู่ตลอดราคาโทสามโมหะมานะทิฏวิจิจาเหตุผลเยอะแม้ขนาดนั่งเรียนพระธรรมก็ยังนั่งหลับเนี่ยเนะี่ยใช่ไหมยิ่งไรยมหวาน เช่ไหมเราบอกบอกโอ้ไม่ไหวจะนั่งหลับยานก็ทักเลยเลยมาแต่จริงๆก็คือว่าเป็นงานจริงเหมือนกันเห็นไหมกิเลสมานมันก็ขวางบอกอย่าเรียนเลยเห็นไหมเรียนทําไมนั่งเย็นๆก็แก้งหลับไปก็ได้บอกงี้มันก็ได้บุญนี่ว่างี้เห็นไหมก็เข้าใจอยู่มันต้องการที่จะกอดให้ติดให้พบอยู่ตรงนี้กิเลสมานก็ขัดขวาง มัจจุมาลก็รอคอยที่จะคอยเอามีดดาบตัดกระแสะขันธ์ใดๆทั้งนั้นอภิสังขารละมาเนี่ยคืออะไรรู้ไหมวิบากที่เป็นอกุศลแกรรมทั้งหลายคอยขัดขวางตลอดใช่ไหยหลายๆท่านที่นั่งๆเลยรก็อีว่าหมดวิบากตัดรอนหมดแล้วบางคนก็คือกุศลนั่นแหละเป็นตัวตัดรอนอู้ยอย่าไปฟังเลยพระธรรมที่จะออกจากภพจากชาติเราแค่ให้ทานก็พอเลยไหมแม้กุศลนี่แหละ เจตนาที่เป็นอภิสังขานมานี่แหละโยมสมานมันก็ตัดรอนและอีกที่น่ากลัวคือว่าเครปุตรมานทันก็แทรกคนที่ศึกษาพระธรรมถูกต้องเนี่ยอมาเห็นมาเยอะน่ะเข้าเนี้ยเข้าเดี๋ยวก็แตกกันเดี๋ยวก็มีอะไรต่างๆมาดนในคิดสรารพัดวิปลิตไปหมดเลยแตกถ้าศึกษาแบบผิดๆนี่นะจะได้ก้อนโตๆด้วยแล้วคนจะไหลกันเป็นแนวเป็นแนวเพราะ อ, อะไรไหมเทปุตมานยุ่งเนี่ยเอาไปฟังเยอะ ฟังเยอะๆไม่ใช่คือให้เข้าใจยงไงว่านี่ถ้าถ้าคิดถ้าใครคิดมุมนี้ออกอะคนนั้นจะเข้าใจามาเชื่อวิยญอณมารคิดออกถ้าสอนําไมะถูกเลยนะไปได้ไม่นานหรอกเพราะอะไรอ่ะเทวปุธมาณไม่ชอบใจเลยนะตอนที่พระบรมศาสดาส่งภิกษุหกสิบรูปไปประกาศศาสนาเนี่โอ้โหมารเดือดร้อนมากมารเดือดร้อนมากๆ ฉะนั้นทำไมเทพบุตรมาร น, นั่นนะทำให้เฝ้ได้ง่ายที่สุดเพราะปุรุชนนั้นนะประกาศพระธรรมซึ่งผิดพลาคอยู่แล้วต้องเป็นระดับพาาาระอรหันต์ถึงเล่นด้านไม่ได้ใช่ไหมอย่างเราท่านทั้งหลายที่เป็นปุรุชนเนี่ยไม่อยู่ในฐานะแห่งการที่จะไปยืนแถวหน้าประกาศพระธรรมเพราะเราเนี่ยมันมานทั้งห้าเรายังกําจัดอะไรไม่ได้สักตัวเลยเขาย้าใจยังทออมาถึงใช้คําบอกว่ามา น, นั่งคุยพระธรรมกัน ท่านั้นเองนั้นใครไปยือนอยู่แถวหน้ามอะไรเดี๋ยวก็ล่วงถ้าไปกล่าวถูกนะถ้ากล่าวผิดไม่เป็นไรหรอกเทพบุทธมารก็ดีใจเพราะมันจะทําให้ติดอยู่ในภพมันออกจากภพไม่ได้แล้วคําสอนที่จะออกจากภพเนี่ยถ้าใครเอาคำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้ามากล่าวคนคนนั้นเป็นอันตรายในยุคนี้เทพบุตรมารเล่นงานกิเลสสมานไม่ต้องพูดถึงมัจจุมานไม่ต้องพูดถึงอภิสังขารมานไม่ต้องพูดถึงกันลมานะเขาเล่นอยู่แล้วเป็นประจํา แต่เทปุธมานจักไม่เล่นงานกับคนที่กล่าววิพัลิตมานแล้สิการกล่าวคําสอนผิดพาดส่งเสริมและจะสนับสนุนดนใจค น, นฟังอีกเยอะเอาอีกแต่ยังว่าอย่าไปท้าทํามันไม่ท่านะแล้วให้สังเกตดูว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมก็โยนสมานก็ไปสังเกตนะไปเปิดเว็บดูก็แล้วกันเนีน่บรรดาเว็บทั้งหลายนะนะเนี่ยเว็บไซต์ต่างๆ่เหล่านี้ที่เขาโฆษณาก็ทําเงินถ้าเว็บไหนที่มีคําสอนเพี้ยนเนี่ยนะ แล้วไปดูจํานวนคนที่เข้าไปดู <Yeah. S 1> คนที่เข้าไปฟังเ <Yeah. S 1> ต็มไปหมดถ้าเป็นการกล่าวพระธรรมที่ถูกต้องเนี่ยนับหัวได้ถ้ามีคนฟังได้สักห้าสิบคนก็บุญนักหนาในประเทศเนี่ยเอาห้าสิบคนเท่านั้นเละทั้นกล่าวผิดผิดเพี้ยนเพียนเนี่ยคนจะฟังเยอะแต่ถ้ากล่าวถูกๆเนี่ยมารสี่เขาเล่นอยู่แล้วเป็นปกติแต่มารห้าก็จะเล่นด้วยถ้ากล่าวกล่าวถูกเนี่ยถ้ากล่าวผิดเนี่ยมารสี่เล่นเป็นปกตินะ เล่นเขาเล่นเขาอยู่แล้วแต่มารที่ห้าสนับสนุนคือเทปโอมานสนับสนุนช่วยดนจิตโดนใจอะไรเยอะอ๋อเรื่องเสียใจไม่ได้ไปเสียใจตรงนั้นเพียงจะบอกว่าพูดให้เราไ ด, ได้ได้ข้อสะลดใจว่าในยุคต่อไปในการกล่าวพระธรรมที่ถูกต้องจะเริ่มค่อยๆหมดไปหมดไปก็จะเหลืออยู่ในพระใจวิโดกแล้วคนจะไม่รู้อัดถับแล้วเพียงจะนั้นแต่จะมีอยู่นะพระใจวิโดกจะมีอยู่ต่อไปเลยแล้วก็จะมีการปฏิบัติที่ไม่ตรงไม่อะไรก็เยอะ พอครบห้าปันปีก็หมดไปในโลกคนเด <ocalyptic. S 1> <STALK> ียเข้าใจไหมก็จะเป็นอย่างนั้นเราท่านทั้งหลายก็จะนเงยศีสาวออกมาศึกษากันจริงจังจังหรือไม่ก็ไปคิดเองจะไหมตรงนี้ใช่ไหมหรือจะนั่งจมอยู่ในวัฏตะต่อไปก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะมันแล้วแต่เงี้มันแล้วแต่ศรัทธาคนจริงๆนะปลุกแล้วปลุกอีกใช่ไหมเราก็บอกเดี๋ยวรอองค์ก่อนองหน้าก็ได้ใช่ไหมคิดอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมแต่อาจจะคิดถูกหรือคิดผิดมันแล้วแต่ใครแล้วนี่ก็ให้ข้อมูลอยู่แบบก็ประมาณอันตรกับ ไม่ถึงเงนตระคับคือคืออย่างนี้นะถ้าพูดในกรณีอย่างนี้ก็ดีที่ถามประเด็นนี้ขึ้นมาก็คือว่าถ้าคนที่ฝังพุทธคุณไว้ในใจไม่ชัดเจอพจจระพุทธเจ้าจกไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเหมือนโยมสมานพูด้าไ ม, ไมในช่วงพระศราม่ตายมาบรรเนี่ยเพ่อยู่เยอะมากแปดมื่นปีแปดหมื่นปีช่ว้น่ะ ประเด็นอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่ว่าในวันนี้ในปัจจุบันนะพ่เนี่ยเจริญพุทธคุณแล้วตื่นเต้นไหมในกระแสใจจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าคําว่าพุทธโธพอได้ยินอะไรปีติเกิดไหมถ้ายัางไม่เกิดก็ไปเล่งขวัขวายเลยทาพุทธคุณให้ชัดในคุณของพระทธเจ้าถ้าอย่างนี้ยก็ตรงนี้ก็เสียใจไหมถ้าจะไม่ได้ตัดสู่ในพระพุทธเจ้าองค์ดอกไป เสียใจไหมเดียใจใช่ไหมแล้วก็แล้วขาดตอนแล้วทีวนี้ชีวิตเราหกเราเหินไปอีกยาวไกลมากน่ากรุณาตัวเองมันมันไม่ใช่คิดว่าตนเองตนเองตน เ, เองไม่เจอแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรมันก็คิดเอาปอบใจตัวเองไปแค่นั้นเองแต่ก็เป็นคนที่มืดบอดไม่รู้บาปไม่รู้บุญไม่รู้คุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ ใช่ไหมหน้าข้านหน้าข้าก็ตกประกำลําบากเพื่อเพอเราก็จะกลายเป็นตอของวัตจักรกลายเป็นตอของวัฏจัตอ่อตอวัฏจัก็คือออกจากวัตจัไม่ได้ตลอดการเขาคนที่มีบุญทั้งหลายก็พากันออกกันหมดแต่เราก็คิดผิดตลอดออกก็ไม่ได้ก็เป็นเรื่องดีช่วยกันไม่ได้พุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะดึงออกดึงขึ้น ก็ไม่ฟังพระธรรมพระพุทธเจ้าแล้วประกาศเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธเจ้าซะเองนะขา้านะข้าก็ไปตั้งลัฐีตั้งลัฐี เ, เสร็จก็จะได้จมอยู่ในอบายตลอดกาลไปนะก็เป็นอย่างเรือ่องน่ากลัวใช่ไหมนี่ถ้าไ อ, ไ อ, ไ อ, ไ อ, ไอ้กลุ่มเนี่้น่ากลัว บ, บางทีมันก็เริ่มจากผิดเล็กๆไปเนี่ยนาะคาก็ตอกริ่มในใจตัวเองยาวขึ้นยาวขึ้นนาะ้าก็ประกาศเป็นศาสดาพอเป็นปาศาสดาแล้วก็ปฏิปักษ์อยู่ตรงข้ามพอได้ยินพระพุทธเจ้าก็ปวดหูไม่อยากยิน เดินห น, นีตะพืชในข้าวในข้าก็สอนลูกศิษย์ก็ไหลมหาตัวเองไอ้กรรมที่ตัวเองให้คําสอนผิดๆก็จะตามอัดตัวเองตอกลิมลึกเข้าลึกเข้า mm hmm. นั้นบรรดา ศ, าศาสดราทั้งหลายไม่มีโอกาสดีได้ไ ด, ได้ได้ออกจากวัตฏะก็เพราะกรรมที่ตัวเองได้กระทาไว้นตามผลิตนิบาศอัดโอ้อยไม่รู้เท่าไหร่มีลูกศิษย์สักหลายล้านคนก็ทั้งหลายหลายล้านคนลองคิดดูก็เป็นผลิตบาป ตรงนี้ก็คือถ้าไปพิจารณาอย่างนี้ก็คือเวทนาที่เกิดเสมอดำรงอยู่ตลอดกับเป็นเวทนาห ย, <feud> <ส>ยาบเวทนาอื่นๆหรือเวทนาที่ไม่ดำรงอยู่ตลอดกับก็เป<ส>็นเวทนาที่ละเอียดไปเนาะแด้บรรดาเวทนาที่ดำรงอยู่ตลอดกับเ<ส>วทนาที่เป็นอสังขาริกก็เป็นเวทนาหยาบด้วยเวทนาอื่นๆที่เป็นสังขาริกเขากป็นละเอียดกว่านี่นั่นก็ไปแยกละเอียดถ้าเวทนาอย่างทุกเวทนาที่ดำรงอยู่เป็นกับกาบเนี่ยนะอย่างเวทนาขขาบุงคลที่ตกในใบภูมิเนี่ยนะ มันก็มีสองกลุ่มนะยอมสมาถ้ากลุ่มสังขาริกก็ยังสยาบสุดๆอีก